สัมพิธามัชเนี่ยในบรรดายาณทั้งหลายปฏิสัมพิธามัชนั้นโดยยานะเนี่ยมียานอยู่เฉพาะยานกาักขาเฉยๆนะเรื่องยานอย่างเดียวเนี่ยมีอยู่เจ็ดสิบสามยานเจ็ดสิบสามยานะเจ็ดสิบสามยานะนั้นเฉพาะสุตามยัยานเนี่ยมีอยู่สิบหกหัวข้อใหญ่นี่ยสิบหกหัวข้อใหญ่ ในสิบหกหัวข้อใหญ่อย่างอภิญญาญาณิเทศนี้ก็มีเจ็ดพันกว่าบทนนี่ยอภิญญาญาณิเทศนี้มีเจ็ดพันกว่าบทปริญญาญาณิเทศก็มากกว่านั้นอีกน่อยหนึง<ช>ก็แต่ลราโดยบทโดยบทไปก็เยอะเนี่ยนะที่จริงก็น่าจะดีใจจะได้มีทรัพย์คือปัญญาเยอะๆเรียนเรื่องปัญญาเท่าไหร่ก็จะได้รู้ว่าความฉลาดแห่งปัญญาก็จะได้มีมากเท่านั้นความมืดก็ถูกขจัดออกไปเท่านั้น ทีนี้ในปฏิสัมพิธามากักเฉพาะถ้าเป็นพุทธพจน์บาลีเลยเนี่ยทั่วไปเขามักจะพิมพ์หรือมักจะพิมพ์ปยานย่อเก้าล้อเก้าเนี่ยนะซึ่งทางเราก็ได้ความเอื้อเฟื้อจากคุณรัตนาก็าไปพิมพ์ปริญญ ย, ยนิเทศมาหวงว่าเปิดเทอมหน้าอาจจะได้เรียนปริญญายนิเทศ <c oughs> ที่ในบรรดาหัวข้อสุตตามยายานทั้งสิบหกหัวข้อเนี่ยเป็นหัวข้อที่ควรกําหนดจดจําให้ดีๆ เพราะว่านึกอะไรไม่ได้ก็นึกหัวข้อได้ก็ยังดีะหัวข้อสิบหกหัวข้อก็มีหนึ่งหนึ่งอะไรเอ่ยเนไอภิญญานิเทศเน็นไหมอภิญญยธรรมสองปริญญยธรรมสามปหาตัปปธรรม 4. สี่สัจจิกาตัปปธรรมห้าภาเวตัปปธรรมแล้วก็ภาคยะอีกสี่ภาคยะสี่ก็คือหนึ่ง หานะพาคยะสองทิติภาคยะสามวิเศษสภาคยะสี่นิเพทะพาคยะเรียกว่าภาคยะธรรมสี่ถ้ารู้ภาคยะธรรมสี่เนี่ยนะาคยาธรรมมันต้องปฏิบัติด้วยตรลับใช่ไหมเจิงจะแทงตลอดจริงก็อ น, นิจจังทุกขังอนัตตาผู้ที่แทงตลอดอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาจริงก็ต้องรู้อริยสัจคือนีิทุก นี้ทุคขาสมุทัยนี้ทุกานิโรดนี้ทุขานิโรธค า, นธ า, ามนีนิปฏิปทาจริงๆสิบหกหัวข้อนี้ก็มีความสัมพันธ์กันอยู่นะตัวอีกครั้งหนึ่งนะอภินยายานิเทศอภินยยะสองปริญยยะสามปหาตัปพะสี่อันสี่นี้ภาเวตัปพะห้าสัจิกาตัปพะ นี่ในบรรดาธรรมะทั้งหมดเนี่ยนะคือทำที่ควรรู้ยิ่งทำที่ควรกําหนดรู้ทำที่ควรละทำที่ควรทะเจริญและก็ทำที่ควรทําให้แจ้เฉพาะทำที่ควรเจริญเนี่ยนะบางพวกเจริญแบบฐานะภาคยะบางพวกก็ได้เจริญประเภททิติภาคยะบางพวกก็วิเศษสะพาคยะบางพวกก็เป็นนิพเพธภาคยะ พวกนิเพทาเนี่ยต้องรู้อะไรอา น, นิจจังอนนะทุกขังและอนัตตาผู้ที่รู้อา น, นิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยไว้ใช้กับอะไรนี้ทุกนี้ทุกขะสมุทัยอันี้ทุกขะนิโรธเนี่ยนะนี้ทุกขะนิโรธค า, า, ามินีปฏิปทา จึงทั้ง16หัวข้อถ้าจัดเป็นกลุ่มๆ ก, ก็ได้4กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกก็คืออภินยยธรรมเป็นต้นกลุ่มที่สองก็คือภาคียธรรมสี่กลุ่มที่สามก็ไตรลักษ์หรือสามั ญ, ญลักษณะกลุ่มที่สี่ก็อริยสัจสี่แต่ก็สัมพันธ์กันอย่างนี้พวกหาหนาภาพาคียติภาคยะวิเศ ษ, ษาภาคยะใช้กับพาเวตาประธรรมอย่างเดียวใช้กับพาเวตาปธรรมทีนี้ผู้ที่ปฏิบัติ ทำเนี่ยะเฉพาะพาเวตาปะกธรรมมุ่งชำระ ก, กิเลสจริงก็ต้องรู้อ น, นิจจังทุกขังอนัตตาผู้ที่รู้อ น, นิจจังทุกขังอนัตตาที่ถูกต้องก็ต้องรู้วันนี้ทุก น, นะรู้อ น, นิจจังเนี่ยเพื่อละอะไรทุกนะรู้อ น, นิจจังละมานะรู้ทุกขังละตัณหารู้อนัตตาละทิฏฐิถ้าพูดทิฏฐิที่ใดโมหะ ที่นั่นอวิชชาอยู่ที่นั่นก็จักละสมุทัยด้วยอย่างนี้แหละอันถ้ารู้ายรักดีจริงก็ต้องรู้อริยสัจถ้ารู้อริยสัจจริงก็ต้องละสมุทยัยนั่นหมายถึงว่าเขาทำนิโรธให้แจ้งตัวนิโรธนั้นก็คือเดียวกันเป็นสัจชิกาตประธรรมส่วนนิโรธทคามินีปฏิปทาก็เป็นผลของภาเวตประธรรมทีนี้ในบรรดา ธรรมะทั้งหมดเนี่ยถ้าจับจับกลุ่มคืออภินัยยธรรมได้ธรรมะที่เหลือก็ก็พอที่จะหารายละเอียดเพิ่มเติมได้เพราะนั้นอภินัยยธรรมเนี่ยถือว่าเป็นหัวข้อหลักอภินะั ย, ยธรรมที่เป็นหัวข้อหลักก็คือธรรมะสามสิบเนี่ยนะชุดที่หนึ่งธรรมะสามสิบตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงกับกิยารูปสาตรูปหกสิบพุทธคุณจะนิมักแสดงเนี่ย ปิยรูปสาตรูปสามเอ่อเข้าไปธรรมะสามสิบเรียกว่ากระบวนธรรมที่ก่อให้เกิดเวทนาก็ทวารละห้าใช่ไหมทวารละห้าหกทวารก็เป็นสามสิบที่จริงผู้ที่ประสงค์อยากจะเจริญวิปัสสนานในชีวิตที่แท้จริงควรจะสาธยายสิ่งเหล่านี้ให้เห็นในชีวิตเ น, นี่ยธรรมะพวกนี้เราถือว่าพูดเฉพาะอภินัยธรรมอย่างเดียวอภินัยธรรมเนี่ย ในบรรดาธรรมะสามสิบเนี่นะอย่างแต่ละทวารแต่ละทวารความรู้พวกนี้เมื่อไหร่ที่เราจะประทับเอาไว้อย่างนี้จริงๆเลยคือให้มันเป็นความเห็นของเราไปแล้วซึ่งการศึกษาด้วยศึกษาเพื่อเอาไปเจริญด้วยควรเป็นอย่างนั้นถ้าอย่างเช่นว่าอาศัยจากขูกับรูปเกิดจากขูวิญญาณธรรมะสามอย่างประชุมกันเป็นพัสสะพัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาทั้งสุขเวทนาทุกขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนา คือเท่ากับท่านบอกว่าเมื่อรับอารมณ์หนึ่งอารมณ์นั้นเนี่ยนะต้องอ่านเวทนาสามให้เป็นว่าอารมณ์แต่ละอารมณ์เนี่ยมันให้เวทนาใดบ้างพผู้ที่กําหนดนามธรรมเนี่ยนะเขาดูเวทนาแล้วเขารู้เลยว่านามธรรมเนี่ยคืออะไรเขาดูรูปรธรรมก่อนนะเช่นอย่างที่ว่าได้ยินเสียงหนึ่งเสียงแล้นะีรู้เวทนาทันทีเลย ว, ว่าเสียงเนี่ยคือเสียงอะไร ก็ดูว่าเราะเสียงเนี่ยมันแบ่งเป็นสามกลุ่มนะหนึ่งอิทธะอิทธะหรือโสภาเนี่ยนะอันเดียวกันสองอนิธะอนิธะหรือปฏิฆะสามก็มัชตะมัชตะหรืออุเบขาทั้เสียงหนึ่งเสียงที่ดังขึ้นมาเนี่ยนะผู้ที่มีปัญญารอบรู้เลยว่าเสียงชนิดเนี่ยคือเสียงประเภทใด ก็บางบางเสียงเนี่ยมันก็ก่อให้เกิดบางข้างก็ปฏิฆานิมิตทันทีบางข้งก็สุภานิมิตปกติแล้วนิมิตพวกนี้เนี่ยนะก่อนที่จะมารับแบบนี้ได้เนี่ยเนื่องจากมีอะไรมีทวารคือหูหูกับเสียงเกิดอะไร น, นะโสตวิญญาณโสตวิญญาณเนี่ยถ้าเป็นอิทธารลมโดยมากเป็นกุศลวิบัตอั น, นิี้ารลมโดยมากเป็น อกุศลวิบากมัจฉาตารมณ์ก็แล้วแต่ว่าแนวโน้มจะน่าปรารถนาหรือไม่น่าปรารถนาเพราะอารมณ์ทั้งหลายก็แบ่งเป็นอิทถารมณช่อิทธารมเนี่ยมันมีแบ่งไปอีกเมื่อเช้าพูดอะไรอติอิทถารมณ์แปลว่าอารมณ์ที่น่าปรารถนาอย่างยิ่งส่วนอนิธารมณ์ก็แบ่งประเภทเป็นอติอนิธาารมณ์ อารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาอย่างยิ่งก็นําความสะเทือนใจมาตามสมควรเครื่องวัดความสะเทือนใจนั้นคืออะไรคือเวทนาเช่นสุขเวทนาทุกขเวทนาหรื อ, อทุกขมสุขเวทนานะเพราะว่าหูเสียงอหูเสียงโสตวิญญาณเนี่ยทั้งหมดเรียกว่าภาษาภาษาพวกนี้เป็นปัจจัยถ้าเป็นอิทธารมสุขเวทนา ถ้าเป็นอนิถารมทุกขเวทนาถ้าเป็นมัจตารมอทุกขมสุขเวทนาถ้าสุขเวทนาโดยมากก็ตันหาสูตรเขาเป็นอย่างไงทุกขเวทนาโดยมากก็ต่อด้วยตันหาอทุกขมสุขเวทนาก็ต่อด้วยตันหาวันยังค่ำจะรับอารมณ์ชนิดใดก็ตามสร้างหูเหมือนเดิม ทีนี้เมื่อเรารับอารมณ์มากิการอารมณ์แบบนี้ได้บ่อยๆจนเราได้ยินเสียงหนึ่งเสียงปับ๊บมองพวกนี้ออกเลยนะบางท่านบอกว่าเอ๊ะแล้วเรียนปรมัตาธรรมนี่เรียนยังไงก็หูก็เป็นสภาวธรรมชนิดหนึ่งเสียงก็เป็นสภาวธรรมโสดาวกธรรมโสตวิญญาณก็เป็นสภาวธรรมภาษะก็เป็นสภาวธรรมเวทนาเหล่านี้ก็เป็นสภาวธรรมเท่ากับกล่าวสภาวธรรมทวารหูเท่าไหร่ 1> 1, หนึ่งหสองเสียงสามโสตะวิญญาณสี 4, โสตะสัมผัสห้าเวทนาห้าห้าองค์ธรรมทีนี้ผู้ที่รอบรู้เนี่ยเขารู้จักแต่คําว่าหูอย่างเดียวหรือเขาไม่รู้อย่างอื่นอีกหรือรู้อย่างอื่นอีกไหมรู้อยู่แล้วเ น, นี่ยแล้วเสียงเนี่ยรู้แต่เสียงไม่รู้จิตที่เป็นสมุทฐานเลยหรือคนอื่นเขาด่าเราเราฟังออกไหมว่าเขามีโทสะ ไม่ถึงขนาดว่าไม่รู้อะไรซะเลยนะก็รู้อยู่แล้วเสียงอุตุฟ้าร้องฟ้าผ่าเราก็ฟังออกอยู่แล้วอย่างเงี้ยก็จะเริ่มรู้สมุดฐานก็จะเริ่มรู้องค์ประกอบองค์ประกอบของโสตวิญญาณคืออะไรองค์ประกอบของภาษะคืออะไรของเวทนาทั้งหลายนะปกติแล้วอย่างที่กล่าวเมื่อวานว่าถ้าสุขเวทนาให้บวกกา ม, มาสัญญาเอาไว้ด้วยถ้าทุกขเวทนาบวกอะไร พยาปาท่สัญญาเอาไว้ด้วยพยาปาท่าบางอย่างก็หนักไปทางวิหิงสาถ้าเป็นเสียงทั่วๆไปก็บวกอวิชชาไว้ด้วยเพราะว่ามันจะยังไงก็ไม่รู้เหตุเกิดความดับอาัศาธาอาทินวานิสระณะตามเดิมันผู้ผู้ที่มีปัญญาเนี่ยรับเสียงปั๊บเนี่ยนะธรรมะหกเอ่อธรรมะห้าอย่างในทวารหูเนี่ยต้องทําความเข้าใจให้เป็นเรื่องธรรมดาเพราะอันนี้เป็นวยากรณ์ชีวิตเนี่ยแตชีวิตจริงๆมันเป็นอย่างนี้ ถ้าจำแนกเปิดเผยชีวิตในทวารหูมันก็มีอยู่เท่านี้ขณะที่ได้ยินเสียงมันเมื่อวิเคราะห์วิจัยไปแล้วมีอยู่เท่านี้ไม่มีใครสาวเกินลึกซึ้งไปกว่านี้หรอกก็เพราะมันมีอยู่เท่านี้จริงๆทวารจมูกทวารลิ้นทวารกายทวารใจก็ในยะเดียวกันนะแนวเดียวกันนะแต่ถ้าใครมองทวารหูเหมือนลิ้นได้ก็แสดงว่าเป็นเอามากเพราะมันคนละอย่างอยู่แล้วแต่ว่าแบบฟอร์มวิธีการแสดงคนละอย่างเท่านั้นเอง อันธรรมะเหล่านี้พระองค์จึงสอนว่าควรรู้ยิ่งเนี่ยนะควรทําความรู้จักให้ดีๆเนี่ยนะควรทําความรู้จักหมายความว่าเมื่อเข้าใจแบบนี้นะซึ่งมีถ้าพูดเป็นภาษาตัวหนังสือนะั้นมันมีอยู่ไม่กี่คำใช่ไหมอันเราเห็นตัวหนังสือปั๊บอ่านออกเลยใช่ไหมทั้งๆที่ประโยคอ ย, ยาวทําไมเราสะกดได้ทันทีรวดเร็วเพราะความชํานาญใช่ไหมเมื่อใดที่เราจะได้ยินเสียงปับ๊บหนึ่งเห็นธรรมะเหล่านี้เลยด้วยความชํานาญและไม่มีความสับสน อะนให้มันเห็นเนี่ยลืมตาเห็นปุ๊บก็เห็นเลยอะไรเป็นอะไรเนี่ยนะฝึกพื้นฐานอันนี้ในชีวิตที่เป็นจริงให้ให้ชํานาญทันธรรมะเหล่านี้เรียกว่าเป็นกลุ่มธรรมะสามสิบเนี่ยนะเป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้ในอภินัยยสูตรเป็นต้นเนี่ยนะทีนี้ในธรรมะเหล่านั้นหูกับเสียงเป็นขันอะไรรู ป, ปขันหูกับเสียงนี่คือรู ป, ปขันใช่ไหมรู ป, ปขัน จมูกสดเวทนาสามอย่างเป็นเวทนาขันคณะสัญญาที่เกิดร่วมกับเวทนาก็เป็นสัญญาขันตันหาเป็นต้นก็เป็นสังขารขันโสตวิญญาณก็เป็นวิญญาณขันนั้นขณะได้ยินเสียงก็คือความประชุมแห่งขันห้าขันห้าที่ประชุมกันจึงได้ยินเสียง ถ้าขันห้าไม่ประชมนะคัดตัวใดตัวหนึ่งได้ยินเสียงมีไม่ได้อายตนะประชมการจึงได้ยินเสีย ง, ยงนั้นบางในก็มักจะแสดงโดยขันห้าเพราะขันห้าก็อย่าลืมว่าทุกอย่างคูณสิบเอ็ดหมดจึงเรียกขันห้าคูณสิบเอ็ดมีอะไรบ้างรูปนะรูปทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกยาบละเอียดเลวประณีตใกล้ไกล ก็ถ้าเป็นสติรณะปริญญาสัมมาสัญาณก็บอกว่าเธอเพึ่งเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงว่านั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่อัตตาของเราปฏิเสธตันหามานะทิฏฐิซะเท่ากับเท่าไหร่ห้าสิบห้าห้าสิบห้าคูณสามว่านั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่อัตตาของเรานั่นไม่ใช่ของเรา เท่ากับอะไรเท่ากับทุกขังอะนั่นไม่ใช่อนั่นไม่ใช่เราอันนี้ก็เท่ากับอนิจจังนั่นไม่ใช่อัตตาของเราไม่ใช่อัตตานะไม่ใช่อัตตาก็เท่ากับอนัตตางั้นถ้าบอกว่านั่นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตตาของเราก็บอกเท่ากับบอกว่าอนิจจังทุกขังและอนัตตา อันนี้จังทุกขังอนัตตาที่บริบูรณ์อะไรทําให้อะไรบริบูรณ์ถ้าเจริญอย่างนี้จริงๆนะความคิดต่อต้านความยึดถือตลอดเวลานิพพิทาก็บริบูรณ์ถ้านิพพิทาบริบูรณ์วิราคานุปัสสนาก็บริบูรณ์ราคาแปลว่าจับต้องอันผู้ที่เจริญอย่างนี้ก็ไม่ประสงค์จะจับต้องหมายความว่าด้วยความกำหนัดไม่ต้องการหุบเอาอีกแล้วรู้ว่าเกลือนแล้วมันร้อน พอถามว่าต้องการเพิ่มอีกไหมต้องการเพิ่มอีกไหมก็ไม่ต้องการเพิ่มใช่ไหมก็จะเป็นนีโรธาต้องการดับออนะก็ปฏินิสข า, าก็ต้องการสละคืนมันก็เจริญตามนี้ได้ก็สามารถทาที่สุดแห่งทุกข์ได้